คอลัมน์ธรรมปฏิบัติตอนดูจิตกับสมาธิภาวนาโดยสติมาจากการปฏิบัติภาวนาด้วยการดูจิตมาระยะเวลาหนึง่งทำให้ผลของสมาธิดีขึ้นเองมาโดยลำดับผลได้ยืนยันมากับตัวเองด้วยเหตุว่าเมื่อเราจเจริญสติมีความรู้สึกตัวอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราเริ่มเห็นชัดในอาการของจิตในแบบต่าง และหนึ่งในอาการของจิตนั้นก็คือสมาธิจิตนั่นเองหลายๆท่านที่คิดว่าตัวเองดูจิตอยู่นั้นกลับเพ่งจิตคือไปจดจ่อดูอาการของจิตอย่างแน่วแน่และแนบแน่นจนกลายเป็นเกิดอาการตรึงขึ้นมาและเมื่อไปตั้งใจมากขนาดที่ว่าบางท่านรู้สึกแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเวียนศรีรษะไปได้เลย เพราะเพ่งอย่างรุนแรงแต่ถ้าสามารถรู้อาการที่จิตเข้าไปแนบแน่นเป็นหนึ่งอย่างมีสติและเบาบางพอเหมาะเราจะได้สมาธิจิตขึ้นมาอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นสัมมาสมาธิคือมีสมาธิที่ประกอบด้วยสติมีความตั้งมั่นและเบาสบายซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงขณะจิตเป็นคณิกะสมาธิหรือสามารถทรงตัวถึงอุปจารสมาธิได้ ตัวอย่างของการที่เราดูจิตซึ่งควรเป็นวิปัสสนาภาวนาในหมวดจิตตานุปัสสนาแต่กลับกลายเป็นธรรมสมถะไปซะแล้วนั่นให้เราสังเกตตรงที่ว่าจิตมีความแนบแน่นนิ่งสงบนานและมากเกินไปจิตเลยกลายเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตของมนุษย์ปกติธรมธรมดาธรรมดาที่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนาแต่กลับกลายเป็นจิตของพรหมคือมีความนิ่งสงบเงียบเกินปกติไป ซึ่งเป็นผลของการเพ่งหรือเป็นการทำสมถะนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าจิตอาจจะพลิกไปเป็นสมถะได้ในขณะที่เรากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นั่นเองขอให้หมั่นสังเกตดูหรือเรียกว่าโยนิโสมนาสิกานผลพวงของการดูจิตที่ทำให้จิตมีสมาธิเกิดขึ้นในระดับต่างๆนั้นมีผลเสียได้ถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะที่จะรู้อาการทั้งหมดของจิต ว่าจิตทำงานอะไรอยู่แต่ถ้าเราสามารถตามรู้อาการต่างๆของจิตได้นั้นถือว่ายังถูกต้องอยู่แม้ว่าจิตที่สามารถเข้าไปสู่อรูปฌานได้ด้วยการดูจิตและสามารถเข้าไปได้ทั้งที่ไม่ผ่านฌานสี่แต่เป็นทางลัดสั้นที่เกิดจากการดูจิตแต่ปูทุชนนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าอารูปฌานที่สามารถเข้าถึงได้นั้น เข้าได้แค่อากาสาวิญญาณตนะกับอากินจยายาตนะเท่านั้นทั้งนี้ผลพวงที่กล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดกับทุกท่านระดับของฌานที่ได้นั้นเป็นผลของการปฏิบัติที่จำเป็นต้องสั่งสมมาพอสมควรจึงสามารถทำได้ในชาตินี้และข้อสำคัญสิ่งเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทั้งนี้สิ่งที่เล่าสู่กันฟัง เพื่อให้ผู้ที่อาจจะพบเส้นทางการปฏิบัติเช่นนี้ได้ทราบพอเป็นแนวทางไวเท่านั้นอย่าลืมว่าสมาธินั้นมีมาแต่ก่อนพุทธกาลแล้วและพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้วิปัสสนาญาณไม่ใช่สมาธิแต่ทั้งสมถภาวนาหรือสมาธิและวิปัสสนาภาวนาล้วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งสองทางแต่ควรปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควร เหมือนมีดที่คมพอจะใช้เป็นก็จะเกิดประโยชน์ได้จริงสติมาวันเวลาล่วงเลยนักคืนนักวันยู่กังฝันความแนบนับเหลือนคนเดียวที่มีข้างใดคือเงามีความเหงาเป็นคืนคูดใจ